<voix> บาเดี๋ยวสองชามน่าับต่ามบาทนั้นก็สี่สิบชามละนเ่มันไอ้ราดชามแล้วเท่าไหร่8ปบาทเ้าบาทสิบาทสองสามราคาเลยไอ้กเงี้ยป้ายตามร้านนั้นแหละแปดเก้าสิบยี่สิบห้าท้า0ิบบาทสี่สิบหรข้าวเราสี่ร้านบาท แล้วเราทะเลาะกันกีทีนึ่งก่ออามาปร้าแต้ช็อตถ้าเลยผ่าตุกน้ำล้างหน้าผีใช่ไหมผ่าโนพัดเราฟาหมักกินเลยก็บ่อเวลาคนนอนคนกัดฟันนอนพอนฟันไีหายเลยเขาบอกว่ากินมะขามล้างหน้าผีฟันดีนะฮะที่เวลานี้ฉันกเจ็ดชิแล้วันยังไม่หาย กราพลาดแลยกแ่งกินนะประเท่กินแ้วไม่มีแล้วมึงางทากรุงเทพสมีแต่เขาไม่พาไม่รหน้าสองคีมถึงรถจะรไปในห้องนั้นอ่ะเขาไม่ให้เราทานแล้วมีอะไรอีกเขาบอกว่าทำสังฆทานเลิมเอาน้ำเปล่าใส่ผ้าหวยด้วย อย่างนี้จะทำให้ผุคผลนลรับผลผลดน้อยได้หรือไปหรือเปล่กกาเรื่อว่าน้ำเปล่าในจงย้ำยันเอาไว้ครับทำบุญทุกครั้งอย่ า, า, า, ยาใช้น้ำเปล่าแต่ต้องมีน้นแก้วน้ำขวดน้ำขันจำเลยน ะ, ะ <c oughs> เอ า, าเปล่าใส่หมดเปลียหมดเรื่องไม่เป็นไรครั คือว่าเจมบอลถ้าบอกว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราไม่ได้มมทําบุญแค่เล็กงเดียวคราวอื่นๆเราอาจจะเคยซื้อน้ําอัดลมถวายพร ะ, ะ, ซะซื้อกาแฟถวายพระซื้อลิ้นถวายพระที่มันมีผลอยู่แล้วแต่เรื่องน้ำไม่มีพานุคันนี่จัแน่เรื่องาวนี้พานในทา ง, งเรื่องนี้หรือไม่ไอ้พานเนี่ยของจริงหรือว่า มีทายกขวัดบรงโคก็หนึ่งที่แล้วอันนี้ชั้นหันนะเขาเป็นทายกตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปานแล้วตรงนั้นไม่เป็นยาาแย่ว่าใช่ก็จะเทาย ก, ายกอยู่คนนี้ชอบนิยมการสดมนต์เขียงดีมากแล้วศานาศิลปนศาสนาธรรมในตัาจักรวาลใจคนมากหรือว่าเวลาที่มีงานชั้นหันลงทันหลวงพ่อบานเราเรีเอาแล้วัาไหนว่าล้วศานาศิลป์ แต่ว่าการแคลลี่ใจเคนชอบทาบุญชอบเรียกรรมฐานเรียกรรมฐานสามัยก่อนโน้นซึ่งกำลังเราก็สาารางได้กำลังไม่ถึงนสามัยนี้นะอพราว่าเพราะว่าว่าเราียนรียนกันไม่งแน่เพราะว่าสามัยนั้นถ้าหลายหลายปีที่นี้ไม่มีคนไปทิ้งตุลาหมีลา ย, เ, ลยเวลานี้โอ้โหเดียวเดียวไปแล้วนีกต่อมาใจก็เกิดป่วยป่วยแล้วกว็าตาย ตายไปประมาณแปดชั่วโมงตายไปตายจริงจงแปดชั่วโมงแล้วกลับแข็งเข้าใจมาแปดชั่วโมงจะกว่าก็ได้นะตอนนี้ตอนกลับมาเลยก็เรือร้อนตอนนั้นตอนนี้ก็ที่แจ้วัดแล้วแต่แล้วไปทางไหนด้วยปรากฏว่าขึ้นไปวัดไหนแต่เราตามแทนนี้จะไปหาแจ้วัดให้ก่อนจะไปดูตุ่มน้ำกอน ตราเติมเติมน้ำส่องเขากจานเด็สักน้ำใสเลยเหนุผลดีนี้เวลาที่แกตายไปเขาก็นำไปให้นักธุไม่จอายุไักธุยกิจเขาบอกว่าเอ้าไปเอาไอ้แกลนี่มนจะไงางคนเอาแกลนไอ้แกลนนี้มาหัวล้านแ้่ที่ให้เอาหน้าหัวไม่ล้านแต่ย yup. ักล like ah. ้านสุดขั้นไอ้คนที um ่เอาไม่จำนึออาพจะลืมบอกใช่ไหม ถ้าบว่าแคร์นี่มันทำบุญพืนน้นฐานเป็นน่าจะเจะรกยนกรรมฐนให้ไทยอยู่เสมอแล้วสาวสวยเสมอถึงไม่ขาดเออเอามาก็ดีแล้วเอาไปดูผลบุญของมันหน่อยจิที่มันทำมันแล้วเนี่ยมันมจะได้ผลไทยสงฆปยังไงใช่ไหมหรือเปล่าก็พาไปบอกว่าพาพาไปที่กลุ่ ม, ม, ม, ม, ม, มบ้านกลุ่มหนึ่งบ้านเยอะเยอะสวยสวยงามคำว่าบ้านในที่นี้จะหมายถึงยังไง แล้ว่อกไอดินดนในนว่ามีความสุขสวยส ง, งามเป็นพิศนนเศษเ้าก็เลยบอกที่ว่าบ้านหลังนี้เขาเรียกบ้านสมัยนั้นเรียกว่าบ้านเนี่ยบ้านเรนไมมีสองพ่อเธอช่วยงานงานก่อสร้างใช่ไอ้คนไม้นั่นก่อย่อนไม้สวนสบริเวณตางๆถาดหมดเลยตอนนี้เราขึ้นไปบนบน้านเห็นอาหายการบริคขเร า, าที่ทาบุญไป ห, หมดเลเขาีไม่ได้ดูทาบุญเองจะไม่มีนะ เขาเห็นอาหารทุกอย่างที่ทำบุญไปแก่อะไรบ้างตุ่อะไรบ้างเลยอาจจเป็นมูณกัดกรวงไม่อะไรเ้ยไอ้เอนี้เรื่องจริงมันมีอยู่กน่ีวันนี้ก็แต่ว่ารายผมว่าบนบ้านไม่มีตุ่มมองไปทุบ้านอื่น้ําเต็มตุ่มที็หมดถ้าแกเกิดความอยากน้ำอย่นงหนักกเลยใช้พวกหนาใบใบสามลีมานนวดหรยว่าานนวดอะกัน บ้านสวยคนก็สวยธามีลายก็ดีหมดทุกอย่าง ไ, ไาม่ไดยกมือไหวผมไม่พูนถึงได้หายน้ํามากเขาดื่มน้าสดดเอาดื่มน้ขันก็หายน้าบอกว่าถ้าไม่ทํามาก็จุมอย่างจริยวว่าที่นี่ไม่มีคําว่าแบบเมื่อแค่ว่าให้ถ้าต้องการอะไรก็ต้องทำมาครบในเมื่อในเมื่อ ไ, ไม่ทามาก็อย่า ก, กินแล้ไม่ได้หายต่ะ เไม่บอกคนนำบอกพาฉันไ่หาพระยาโยมมัไม่ไหวอยากน้ำเปลี่ยนปีนะถ้าเราพาลลไปหาพระยาโยมที่ยาโยมอะไรสัไปแลว้วเองเนี่ยถ้ารู้เองเป็นคนใจงุ่งพื้นฐานใจงุ่นจริงเราไมครบเรื่องอย่างอื่นทาได้แต่น้าทำไมได้กลับไปได้ยังพยายามทาช่วยเรื่องน้านี้มาแต่เว่าถึงปีฉันไมชอบสร้างทางน้ำสิเดินแต่ไพระใช่ไหมเอาวัดที่อยู่ในบนดอนบนดอน ว่าสาร้างของมันใหญ่เที่ยพระทั้วัดกินทั้งปีก็ไม่หมดท่านโตหน่อยเลยตอนนี้รเรดูผลผลมาทั้เต็มแล้วกินตลอดปีไปกว่าคลาที่มาเนีมันไม่หมดฉันบ้านฉันบ้านใช้ได้ด้วยแต่ว่าถ้าจะไปสร้างทางน้าที่ไหนก็แครว์ขาพุ่งเลยพันพันบาททำไมนะไม่ติด เ, ร, เรื่องเลยนะแต่ว่าตะแค้วหให้พันเนี่ยเรพอเลยไม่ต้ออะไรเก เรียกไปตรงเรียนรนั่นี่เรื่องปเ็นี้แต่ว่าสมัยนี้คนนิยม้าสวายน้าอัดุมกับ ป, ป๊าบกับงคาแเกอรูเลียงมากมันได้อยู่แล้วเริ่มวาแล้วก็วายน้ำขวดแกีโคลาติ่งกาแฟวมันม <c oughs> าดีไปช่อะไรทำเลยใช่จะขอไปจะอยู่ไม่ได้นะ ขวดอยู่เต็มกขอะอะไรเต็มนะขวดเต็มมีมารล้นเลยขอข้าวไม่ได้มันไม่คนเท่ากันแหละน้ำเหมือนกันน้ํายูเหมือนกันคือคงตียงว่าเราเน่าประทานมาไม่ได้ราต้องไปตยไปหาเชื้อหาเชื้ได้สาย ถ้าได้ดีก็น้ำมันก็ได้น้มันอะไรครัน้ำมันซร่าหรือนมันรถรถรรถฉันมีแน่ใจก็ฉันเองรถู่ต้องแรงี่ากู่กสนแรงและคู่สนเร็วด้วยถ้ามันไม่มีร ง, งรเสื่องรถไปไม่ได้ต้องไปเร็กวกวเลยหอ่าอ ได้ข่าวบอกว่าต่อไปเมืองไทยจะร่ำรวยน้ำมันหรือครับว่าไม่ใช่อ่ะรวยเงินไอ้รวยนี่ขนาดว่าที่เงินยังไม่น่าจะน้ำมันโอ้กเแล้วก็ต่อไปไปเห็นท่านแล้วเนี่ยนะ ก็ดำันเนยังที้ขี่อะไรลายกระเบือไนระบอาลายกระเบือได้เห็นชัดมากว่าพอการสามิตเราพยายามพกหลายจุดอันนี้ต้องพบอีกมากเวลาประเทศไทยรวยแน่แต่คนไทยจะรวยหรือไม่รวยไม่แน่ไม่ทีก่อนกนกุจก่นอะไรเนเดต้องมีคนตาตายมคนผูกอะไไม่ได้สบัยดีกันเปล่าเงินเดือนมันไม่สามารถขี่กันเขาไม่ถูกกัน ไ Franc อ้คนก่อนรู้สึกรว่ยคนหลังอย่ามารี่ไปก่อนเลยเออมันไม่ยอมพกหนากดีไม่ดีทำตัวเยิมผ่านเล็กๆของนไทยแฟนทุกคนลูกสาวลูกสาวทำได้ทไดนี่ก็ไม่นนิดหน่อยก็ได้ และจะแก้ไขอย่างไรถามจิตใจวัาเป็นอไรเพราะทีนถามว่าเป็นก็อะไรจะต้องตอบเป็นเพราะเป็นลูกเพราะพายเชื่อใจท่านมารถ้าไปวพ่งเขาไป็นงบอลในเรื่องวิทราศาสตรจะเเป็นบางท่างไม่เคยอยู่ไง อยู่ดีๆวันนีหาคนเลิศม่เจอเพราว่าเราเปาลิา <laughs> นงน <laughs> อันนี้ไ<า>มเ่เป็นไรนะเป็นเรื่อทางร่างกายก็ไปเ่อยแล้วแล้วอีกประเทศที่อบจามก็นกโมกใช้ <laughs> ดีมั้จะบาดดีม้แต่งคองใช่ไหม <laughs> น้ำมูกแล้ว <laughs> เราเป่า เลื่ขันท่าไปเลยจิตใจเรายังมีความรู้สึกัาพรัฐรรนัญไรอยู่ไม่เย็นกว่าไม่ไม่หนุกเคะน ะ, ะต้องบอกท่านดีบอกว่าไปเรื่องของการข้าร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราต้องการทำให้สงบสันตมันต้นดันเลยหาวซะบ้างจับซะบ้างใช่ไหมจะรู้อะไรที่มันไม่ดีจริงๆก็คือร่างกายอย่างที่พวกรามท่านเจริญอรุณประชัยเไาพูดอย่างนี้จริง เห็นว si, si, ่าร่างกายมันไม่ด so ีส่วนไม่มีทั้งหมดมันคือร่างกายถ้าไม่มีกายที่อย่างดียงังไงเราไม่มันทนไม่ได้แล้วร็แก่เออว่องว่องอ้าวเออว่องว่องทำนายว่าแก้ไขได้ไหมไอ้ที่ว่องเลยอก็จะแก้ไขที่แก้ไขที่สุต้องคือที่ดีก็นอนก็นับงไปเลย ที่พระพุทธเจ้าเคยบอกพระโมคคันลานะอย่ามามือซะยี่ตาเลืมตาให้กวายนรดาวน้าดาวหน้าหรืวาลูกมันเดินเป็นพิธีผู้เจ้านะที่พระบอกคัลลาเราน่าสำหรับท่านเจคุณจะเป็นท้าวว่าถ้าพยายาพยายามากันบ่รบ เรอแพ้พี่สอนพ่อสองคนต้องพันผมเรงแพ้วอาว่า๋อแก้ถึงไปที่ตาตามที่พ่อแก้ท่านบอกเแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆนะไอ้ง่วงเลยสองทัาเก็ดว่าง่วงหรือเปล่าถ้าเราไปทำกรรมฐานเกินเวลาที่เราพักก่อนในง่วงเม่อย่าเจี่ยวิื่นะรักลูกกรัก อั น, นี้ครัว่าเป็นเวลาเวาข้ายังไม่ถึงเวลานอนเท่าไจริงๆก็เริ่มทำปั๊บมันเริ่มมัาใสงอวงนั้นไม่ใช่ง่วงหลับตีแน่แล้วต้องเลิกพิจริเลิกก่อนนอนไปว่าทั้งมือดังนั้นกรรมาฐานจริงๆที่จะได้ดีจริงๆมันเเวลาตั้งแต่ดีสองไปแล้วว่าจะรลยว่ากลางวันบราข้าเนี่อยเราเมีเล่ยมันต้อ ง, งต้องมึนสัวันขง ว, วันใช่ไหมแต่เลาตื่นม า, า ร, ร่งกายเริ่มเคลื่อนไหวแล้วเหนย เมื่อตลอดมาบางคนถึงค่ำอาการไม่มาได้พักผ่อนเนี่ยก็เลยไม่รู้ไม่รู้สึกร้อนเทียเลย่อเริ่มจาการกิจกิจเลื่อนไปสมาธิเรื่องทรงตัวมันจะรู้สึกร้อเทียมตอนนี้มันต้องการักผ่อนนะฉะนั้ น, นในช่วงของค่ำนี่ในควรทำมากคชาพระไหวหรือไม่ไหวไม่ไหวก็กลับไปผม น, น, นอนนอนภาวนาให้หลับไปเลยนี้จะดียี่สุดแล้วก็ถ้าเว้นว่าทำไม ถ้านอนภาวนาจนหลับเนี่ยผลประโยชน์ใหญ่มากเราจะสังเกตได้ว่าขนาที่ภาวนาไปถึงหลับถ้าจิตเราไม่ถึงทานมันจะหลับไม่ได้ถ้าจิตไปถึงทานอยิ่งอย่างสูงแค่ อ, อุจจารสมาธิอันนี้ไม่หลับแน่นอนถ้าจิตไปถึงทานใันตัดหลับทันทีลเราตัดถนัดทานหนึ่งสองสามเนี่ ย, 1, 2, 3, ยมีอยู่สามขันธ์ทีเรีนยนอย่า ง, างยั่งยืน ให้ทานสี่ทีสองขั้นยิ่งมีอย่ญญางยาเตยละเอียดใช่ไหมแล้วว่าเราตื่นขึ้นม า, ากลังนอนอย่างนั้นพอตื่นขึ้นมาเราไม่ทุกนั่งหรอกเขาเจตัว่าถ้าถ้าตื่นเต็มที่และวางคับไม่บรรพนาจะแสดงว่ากันหนักที่เราหลับเราเข้าถึงทานอย่างถ้าตื่นขึ้นมาแลว้วพอตื่นรู้สึกตัวเต็มที่ไม่ได้บรรพนามันเริ่มภาวนามันเอง นณะที่ฉันหลับด้เข้าวทิศทางอย่างตลอดพอตื่นขึ้นมาไม่ทั น, นจะเตือนี่รู้สึกเครื่องหลับตื่นตื่นรู้สึกภาวนาขึ้นมาเลยอันนั้นเวลาหลับขา้าวทิศทาเอียดอันนี้ประโยชน์ใหญ่มากถ้าใ่ช่วงในเวลาละหลับกี่ชั่วโมงเขาถือว่าเป็นผู้ทรงทายมันอย่ตอเวลาอันนี้สมัยก่อนพระที่มีแต่ถือว่าที่ว่าพรอาจบอกว่ามีจริยาใต้พระรอันหมายเดียวกับสารานะ การเป็นการเรียบร้อยในการเบีกรู้ไหครับท่าบอกองค์นั้นองค์นี้มีจริยากล้พระอท่านจะแนะนาแบบนี้เสมอการนอนภานาให้หลับไปท่าหจะหลับจะไปดึงวเนี่ยว่าต้งเวลาเท่าไหร่ชจ่โมสองชัโมอันนี้ไม่ถูกถ้ามีหลับเร็วเท่าไรยี่มดีไม่ถูกเท่ที่นเร็วการภนาไี่ต้องการอัไมว่าไปเมื่อีงพ่อบอกว่าถ้ามันล่ากายเปแลยก็หลับไปเลยแล้วไป ตอนทับมนนื่วต่อหนั่ต่อนั่งต่อได้นอนต่อควจะนอนต่อมากกว่านอนต่อสองโงเนอนต่อดีไม่มุ่ยอ่าถ้าตื่นขึ้นมาแล้วัวร่ากาทะนลุกเครื่องมันนั่งจิตเป็นเครื่อนก็มันมาจาสมาธิมันเมื่อไรเป็นสมาธิดีนะถ้าทะลุกขึ้นมาจิตเปนเครื่องเป็นอย่าน้อนเอนาต่อไปไม่อยากจะหลับก็มาหลับไม่หลับก็จิจะทงตัวดี่า ก็บอกว่าผมอยู่บ้านเปิดเทสธรรมะของหลกงพ่อฟังแต่เวลาฟังชัดนอนฟังจับเกิดโทษหรือเปล่านนเดี๋ยว่อนจะถามก่อนผมอยู่บ้านแล้วตัวไปไหนอ้าวผมไม่เปิดแทสฟังไายเลยยี่สิบเท้าไม่ได้ใช่ใช่ต้องถ่ั้ ก็นนเลื่อยๆกตราวนอนไปเป็นตร้างบ้านไหนนั่นสิกั่ถ้าแบบสรุปความว่านอนฟังเทปหลวงพ่อ น, นี้นะ่ะผู้ฟังจะเกิดโทษหรือเปล่าเกิดแน่เอาเลยมีโทษมาอันนเลยถ้าฟังเรื่อยๆไปอยูทข้งตายจะไม่รู้จักคนะนรกมันเป็นยังไงจะกลายเป็นคนโง่เง่าเกาตุน <c oughs> รกเปิดสุกายสถิฐานี่จะไม่รู้จัก หายความสลัดแลนึ่ยเครับเขาครอบาพกทำไมน้องลากไรกดนอนนอนนอนนอนนอนอนอนอนนอนนนนอนนอนนอนนนอนนอนนอนนอนนอนนอนนอนนอนนอนนอนอนนอนนอนนอนนอนนนอนนออนอนนนนอนนอนนอนนนอนนออนอนนอนนอนหลันอนนอนนอนนอนนอนนอนนออนนันนอนนอนนอนนนนนอนนนนน เท่าฟังไม่เท่าลำคาญมันจะหลับไม่ได้ถ้าเกิดความเบื่อเรืิองจิตกจะสบายได้ไปนี่จิตจะสมาธิได้ถึงแม้ีขึก็ถึงแทนพักหลับเลยอันนี้มีประโยชน์ใหญ่แล้วก็เออตอนั้นตอนนั้นเรา่อปวดท้องช่วงแล้วจะฟังต่อใน่วงไล่้ามหปาำ วันพวกได้ไหด้โอมดยูู่นโออย่งจ้มาดูอีถามก็มเอได้คไม่ตมาถ่าย เออได้ได้แม้ตามวันธุปิยาก็ฟานอาารน์ท่านที่เป็นมัสดุคนเรื่องนี้เมื่อฉันจะเรียนจะมาถามใหม่ๆุ่นที่แบบว่าเวลาที่ทางเจรักคนดีไปแต่ว่าคนดีคุณอย่ภาวนานะบาปเห็นไหมราบนั้นที่ละอี่พอไปถึงก็ฟานไปถามว่าฟานนันบอกว่าจะเชื่อควา โดยเชื่อไขว้ภาวนาม่จิตอยู่เหมือนกันเลยครัว่าถ้าเวลาแคร่ท้องมันถ่ายและตาเวลานั้นจะว่าอย่างไรเราก็ได้จ้าวในหามใช่ไหมการภาวนายู่ที่จิตภาวนาไม่โซ่ภาวนาไม่อยู่ช่วงทาได้ตลอเวลาไม้ันขาดอันนี้ดีมากพานดีเทศก็ควมีสายสายนี่ร่างจากตรานั้นย อย่าวม่าจะอยู่หัวท่านสะพายเวลวท่านจะเดินถ้าเลาท่านเดินเล่นผมเดินเล่นหนึ่งชั่วโมงผมฟังเทปสองหน้าถ้าผมจะเดินเล่นสองชั่วโมงผมก็ฟังสี่หน้าเวลาท่านมันโทนท่านฟังจนหลัท่านเป็นกุิของคนทรภยเนี่ยโอนตอนนี้หนักมากในสมบัันแต่วยาวนเเยาวน์สทยภัยเสีไม่ได้เข้าชานออกชันได้ตามเวลาสี่มากันไม่เคยพลาดประการใด ไ <c oughs> อเรื่องนี้ไม่กล้าอพูดนะไรแล้วเรี่อเราจะเห็นว่าท่านมีเวลาน้อยเนรับแล้วความเข้าใจในธรรมะนมี่ลึกซึ้งมากละเอียดอ่อนมากถ้า น, นึกยินึกสงสัยว่าท่านเอาเวลาที่ไหนไปวิจัยธรรมะวันทั้งวันเนี่ยถ้าอยากจะมีเวลาว่าถึงเวลาสังยามที่จะทสอนก็ต้องถือถ้าไม่ บางทีก็มีงานเลี้ยงไปถึงทีนทีหนึ่งแล้วก็เสนอเสว่าในปีสแล้วกเริ่มต่างปเทท่านทกรรมานด้ว so so so ่าต่างประเทศในสองปีสองเวลาแน่นอนของท่านการนิจธรรมะลเอียดออกมากเห้นเดายวฉนเคยเรียนมาตั้งเยอะแลวการคาถามด้านธรรมะนี่ไม่ละเอียดมันเรียา ร้สึระัเข้าใจทุกซิกซิกมาก rough, même, ต้องระวังมากเห็ว่าต้องเวลาคุยกับท่านในธรรมะนี่ต้องระลังมากจและต้องฟังทุกคาไม Dust, icer, ่พาดใช่มบางท่านถามยาวต้องฟังพยายามฟังทุกคามีมีคราวเลยท่านถามยาวแต่พเอื้อหัใจจิตเราสมุกไปนิดหน่พาไปคำใครตัดใหม่เลยย้อนสังกับใหม่แต่ธรรมะนี่พลาด่อยเลยไม่ทีเกเจ้งเลยหร้อง ท่านเรื่องยาวอ่ะวันนี้ผานเรื่องเดียวสามรอบมีห้ารอบมีถ้าคำนวนนี่จะไป่ชันกันเลยคือคำนวัยันชัดมากนี่ต้องฟางทุกคนนี่อยู่คำอีกพ่วมาซึ่งลงแท้ถวายคาว่ากาฆะแปลว่าเสียชะตาหรือว่าทิ้งชะตาอะไรท่านถามว่ากาฆะตัวเดียวบันนี้่านได้ไหม ชักอึ้นเลยเราให้เขียนไปถามอ่ะให้เขียนไปถามสามสี่ขอแล้วอ่านดูว่าถารจ่ายค่าตัวเดียวไปนี้อ่านได้ไหมอาเลยเราไม่เคยเจอตำราเลยต้ต้องนั่งมันั่งนี้เราเครื่องเข้าเข้าตัวหมดไปเลยเนไหมยังไม่กดสวิตช์ไปไม่กดที่ไปอ่านอะไรกันได้ให้ตอบเป็นแคปนียนะให้ตอบได้หมดที่สียงนไม่ใช่ตอบได้ม ดังเราไม่ไปได้หรือว่าได้ไม่ได้เราก็ไปคนเดียมันไม่ได้เราไปแล้วคนอยู่ไมันนึกในใจเลยเขาจะไปได้ไม่ได้ใชาถ้าเราไปแล้วคนเดืยนได้ไม่ได้คุยตอนน้าเนี่ยตากคนตัดก็ส่งสีมาไปส่งเราไปตอนนั้นตันนึกใช้คอนเสิร์เวลาคนคนแห่งคนเขากลไกลหลายกิโลม่ใช่ถถ่านอย่ามันนึกแต่มันได้คำว่า ไอ้ใจาขาดนี่ก็แปลว่าเสียสลับ่ะไถ้าเสียสลับนี่แสดงว่ายังคิดตื่นอยู่มากยิ่งตื่คิดตื่นเป็นี้เหนวะึงมือัออกเดินหน้าเดิอถ่ังถาต้องตัดสิงใจอย่างหนักแสดงว่าถ้าให้ก็ต้องให้เป็นเองของบารมีต้นนั่นไม่ได้ตอบอะไแล้ว น, น ะ, ะถ้าตอบสมมุนอยีย์นีน่นเรียกเท่เราเข้าใจง่าย ถ้าบา ร, รมีต้นเนี่ยเขาจะให้แบบเสียอะไรต้องดึงใจหน่อยก็ให้มันหน่อยว่าอริมิอริมิเชิดได<ง>้ไหมนะถ้าว่าเป็นอุ ป, ปบาตบารมีก็ตัดตัวเสียออกอุ ป, ปบาตบารมีนี่ความเข้มข้นมันขึ้นมาได้ใช่ไหมก็ใช่คําว่าสลับสลับเพื่อตัดโลภะในจิตเราเป็นอุปบาตบารนี้นะ ถ้าเป็นปรมัาทบาเวก็ละเลยเหลือคนเียอะตัดตัวสอออกแล้วก็รอดละละคือเราไม่ติดในวัตถุทั้งหมดตายแล้วเราไปไม่ได้ไม่ติดในร่างกายเราด้วยไม่ติดร่างกายคนอื่นด้นไม่ติ ด, ด้วัตถุธาตุเยไนท้ายมหาจิษตารสูตรเรียกว่าไม่จำมหาจิฐารสูตก็ต้อเพราะมหาจิฐานสูตรทุกข้อพระพุทเจ้าเป็นเจริญลงว่าจงอย่าสนใจกายภายในในกายของเรา อย่าสนใจใจไปเน่าเปื่อยไปหมเลยถ้าคุอยากสนใ จ, นจนใจนวัตถุธาตาใุใดเนี่ทุกข้อเราหาดูสาระสูตรสอนที่นี่ผ่านหมดนี่เรยไปจับที่นี่ระหว่างถ้าเป็นบรารมารต้องมีรื่องต้องการบารมละถ้าถึง ล, ละได้เฉยนี่คนนี้ผ่านได้เกียบอยู่ไว้ันข้ามแค่ทีีท่านถามมาเอื่ึ่งนักเทศน์เลยมีเคยเดือยวา่าไย้ไหมครับท่านอาจ ทำเนี <F> ่มันต้องอยู่ในแตที่เราสอนนะโมเมนมัธอะไรโมเมมคก็ไม่แน่นะมมงเองสมองดูกาเทไอย่างนีคิดมากเทศยาวหน่อยติดน้อยเทศสันิดน้อยเยแ่น้อยอย่างนี้ก็เรียกว่าคนตาไปสวรรค์กกันเป็นนรก เกิดลมอะอะไรเงี้ยเซลได้สักการอะไรเงี้ยอม่รู้ดีไม่รู้ไม่รู้อันมีอะไรอีกเมื่อกี้หลพ่อบอกว่าเรมองกายนายกายนอกอ่ะคิดว่าไม่สนใจกายเรากายใครกายคือกายเราไม่สนใจกายภายนอกคือกายคนอื่นไม่สนใจว่ตถุ่าตุใดๆแม้มาหาสิชาติศนย์ไ Стати, ท่านสอนไปข้ออย่าง LA. อะไรอนาภามุติกรรมกับตำาลลงท่านก็จะรจุดสวยจุดนี้ไป็นต้นวัฒายานพื้นพันที่นั่ง absorb, <im> ู้ว่าเอาตับไก่ไส้ฟูที่เดียวเหลือแค่เดียวเป็นเอกลักษณ์กรที่เที่ยวเรลงได้ตับได้เราตับไก่ส้ฟูตับไก่ไส้ภูกลัวเมื่อตับไก่ไส้ฟูวัวตับไก่ไส้ฟูมู เอยู่ถ้าอดจมาต้องกินก็ได้เพราะเรากินคำว่าแรกเราต้องรับฟังแล้วก็ค่อยๆไปมันก็ไปองละได้ปรเดี๋ยวแล้วก็ติดใหม่แล้วค่อยละเรื่อยๆไปอธิบายนใช่ไหมแต่เหมือนกับเราเรียนองส์เรื่อเรียนมันแรกเราซื้อออกมาแล้วใช่ไเรียนไปนานๆถ้าเรามีความชำนาเขียนอะไรก็ได้เขีมันยังไงก็ได้เรต้องคิดต้องหามัวสม ประจิตมันกเหมนกันถ้ามีสภาพกินไอคำไอชาเนี่ยก็คือชินอารมณ์ชินมันทรงตัวแล้วเราต้องว่างไปเรื่อยๆการทรงตัวจริงถ้าทรงตัวได้เต็มอตราก็เป็นปาราณิชทรงทั้งหมดแต่นี้นว่าเราไม่สามารถจะทรงทั้งหมดเพราะร่างกายยังมีอยู่มันอาจจะไม่ทรงทั้งหมดในเวลาที่เราจะตายตอนนั้นเราต้อเวทนานเดียดเยีนมากใช่ไหม ก็ใส่การสารร่างกายเราก็ไม no. yeah. so ่ดีร่างกายคนอื่นก็ไม่ดีมันมีความหมายทั้งนี้ว่ามันมีกายแก่แก่เจ็บตายใช่ไมีทุกเวทนาอีกตอนที่อยกตายในทุกเวทนามันมีขั้นอย่างนั้นถ้ามีเบาๆนี่มันจะไม่ตายมันต้องมีเกำลังแล้วเราจัดไม่ทํางานแต่ทุกเวทนาของมากเจ็บข้อปวดที่อยู่ในนั้นมันไม่ตายตอนที่มันใกล้เข้ามามันทุบกรมารีมากแล้วอาจจะเหื่อยมาตรงนี้ ไอ้เบื่อตอนนี้เราไปนิทานเลยแต่จิดคิดในเวลานั้นไอ้กายระยำแบบนี้ไม่ไปเรื่องเราไม้ตองกลารมันอีกเท่านี้ก็ไปนิทานที่แม่ไม่ได้ควรไปตอนกลางใช่ใช่ตอนนี้พายังมาตัดที่กายเราดียวตัดแล้วตัดไม่ยากแต่ไม่อยากตัดตายอยู่เศรีย์นม่ใช่เศรีย์เขาสารมันเาเป็นมาหลายแสนป่านแล้วไม่ได้จัดกันก็ปวดอันโอตะไรไม่ได้ ใช่รู้เรื่องเลยรับเมื er ่อไงรับเลยตัวใเองมัจะไม่ซ้อมมีแป้งหรือเปล่ามีไม่ใช่เขาเพิ่อเขาเพิอ่งเล่ามีไม่ใช่ไม่ใช่แตล็อกเลงว่าถ้าจะไปมีมันเปล่าเท่า เรื่องของข่าวที่เคยโดนยืเนี่ยนี่ยครับไม่ได้เราต้องตืกนาย้อนหนาลรวดีใจที่ใหม่สวดมนตวันนี้ได้หลายร้อยได้ด้านมีแล้วผ่านได้เลยมาเนี่ยเขาในนั้นเขาถวายสวดมนต์ร้อยบาทแล้วทางมันมีสบายตุนานาก็เปิอันนั้นเขาถวายแล้วร้อยบาทไรนาบอกร้อยบาทตังหนาออะไรกันัง ห น, นูตอนแรกเป็นทานอะไรจ้ะพวกอะไรเข้มดามีอะไรไหมเดี๋ยวเวลายวสินน่งที่กล้าเอ่านหนังสือทำเราวิโมกเร่มไปออกล่าสุนี้แต่มีแล้วก็มีอยู่คำนึงนี้สงสัยาพราะว่าพาูไปอยู่ยได้ด้วยนะทำเราดีเอง อยู่ ไ, ได้สี่วันนี้อย่ า, ยางไรครับหลวงพ่อพระยาจะอยู่สี่วันไํธรรมปีสีมันอยู่ได้ตลอดกันในวันท่มันยไข่ธรรมปีสีมีนอ ย, ดอ ย, ไ, นนอยได้ตลอดกนะัน่ะถ้าไม่ไม่พร้อมถ้าถ้าอยู่มาแนละ้วก็เคยไปเจอหลวงพ่อที่ครับ นั่งภาวนาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้โดยกินคาทุ่มหรือเกลือในท่านท่าวันมุนแท่กตัวท่านในขาทานมันมาค็อบตนะาจะมาเต็นไปหมดพคื้นงที่กว้างแล้วก็เต็มาเสมอเรื่องกินคาเป็นเดิมเนื้อกหลองของไสไม่หอมเลยีแล้วก็ แล้วก็ตอนนั้นพ่อไปเั่นขาบิสก็ถามว่าไปหาไปไปดูพ่อที่ขาวไม่รู้ชื่อเลยพูดอะอรไมได